อัลลอฮุอะลัยฮิวะอะลัยฮิมฮะมดุร์ลลอฮิรับีลอาลามีนวะบิฮนสตอินลาฮ ولا วะลาคูวาติอิลลาบิลฮิละลน ظ ي م อะมาบ้างซุลแลมุอะลัยคุมวะราะห์มัตุลลอฮ์มะบารักะตุขอความสันติความจำเริญนใจอัลลอฮฺซุบฮ์นะฮฺวะตาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับฮะมดุรีละพี่น้องครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในช่วงของการศึกษาเรื่องราวของอัลกุรอานนะครับพี่น้องที่ติดตามในว 24ชัมม่วโมงทุกท่านนะครับก็สามารถที่จะได้เรารับทราบรับฟังเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยากให้เราทุกคนนะครับพยายามที่จะได้นำพาตัวของเราเองนะบริหารจัดการตัวของเราเองนะครับให้อยู่ในคันลองของอัลกุรอามโดยมีอัลกุรอานเป็นบรรทัดฐานหรือเป็นธรรมนูญเป็นทางนาและเป็นทางรอดของมวลมนุษยชาติวันนี้เราใช้ โอกาสหรือใช้เนื้อหมักที่พระองค์ประทานให้กับเรานะครับนั่นก็คือเวลานะครับโอกาสของเราก็คือเราอยู่ในยุคของเทคโนโลยีนะครับวันนี้เรามีเทคโนโลยีในเรื่องของอวิญญาเสียงอิสลามที่นําพาให้พี่น้องได้ใช้ช่วงเวลาโอกาสนี้นะครับได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของาศาสนาเรื่องราวของอัลกรุรอานนะครับก็ อ, อยากที่จะได้ เ, เรียนนํากับพี่น้องนะครับว่าทําอย่างไรให้เรานั้นสามารถหรือบริหารเวลาของเราให้มี ช่วงหนึ่งะครับของชีวิตหรือของเวลา24ชั่วโมงรายวันของเรานั้นให้มีอัลกุรอานอยู่ในนั้นนะครับเราตั้งเวลาในเรื่องของการทํางานเราตั้งเวลาเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องของการาไปเที่ยวไปเล่นตั้งเวลามีหมดเลยครับเราลองทบทวนดูครับมีเวลาของอัลกรุรอานไหมนะฮะสักช่วงหนึ่งของ24ชั่วโมงนะครับจะเป็นช่วงใดก็แล้วแต่นะครับแต่ไม่ใช่แค่วันเดียวหรือรุอร่นเดียวนะครับ ที่เราทํากันเป็นประจำนั่นก็คือช่วงของรอมฎอนแต่หลังจากรอมฎอนแล้วก็อาจจะถูกเขาเรียกต่อลากอย่าร้างไปโดยที่อาจแทบจะไม่ได้เจอกันเลยด้วยซ้ํานะครับนั้นอยากให้เราปรับเปลี่ยนแก้ไขนะครับแล้วก็บริหารจัดการให้ได้นะครับเพราะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ผู้ศรัทธาควรต้องปฏิบัตินะครับครับพี่น้องครับเรากลับมานับในสุรออ้อนกบูทนะครับซึ่งวันนี้ก็ต่อเนื่องนะครับในอายะที่ สาอนะครับนะในตอนที่แล้วนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮัตตาลาได้บอกให้เราได้ทราบนะครับว่าหลังจากที่นบีลุตอัลเลยซ์ลามถูกบูลลี่ถูกท้าทายต่างๆนาน า, นาท่านนบีบรหิมท่านนบีลุตอัลเลยซ์ลามนะครับก็ได้ขอต่อว่าว่าขอพระองค์ทรงปกป้องช่วยเหลือให้รอดพ้นจากประชาชาตินะครับที่สร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินนี้พูดง่ายว่าอย่าได้ให้ฉันหรือประชาชาติเนี่ยผู้พูดสัตย์นี่แม้มีส่วน เกี่ยวข้องนะครับกับกลุ่มชนเหล่านี้ที่แน่นอนครับเป็นผู้ที่ฝา่าฝืนนะครับต่อมาครับในอายะต์31นะครับอัลลอฮฺซุบฮฺฮะตาลาได้บอกว่าวลามมายาอัลร mm ุสูลนะอิบรอฮิมาบิลบุชรอและเมื่อเหล่าบรรดาเมเลิกะที่นําอาซาบบทลงโทษที่จะไปเรียกว่าไปลงโทษประชาชาิของนบีลูตอะเลสลังอยู่อาจจะไม่ห่างไกลกันเท่าไหร่นัก ได้มาหาท่านนาบีอิบราฮิมอะลัยสลามและแจ้งข่าวดีและแจ้งข่าวสารพูดง่ายว่ามาแล้วก็มาทักทายนะครับจริงๆต้องลงไปตรงนู้นอดาดับนั่งลงอยู่เมืองนู้นเนี่ยที่เราเรียกนะจนปัจจุบันที่เรารู้กันคือเมืองสะดุมนะครับมาหาท่านนาบีอิบราฮิมผ่นานมาหาท่านนาบีอิบราฮิมและแจ้งข่าวสารนะครับที่บอกว่าเรามาเนี่ยนะจะมาทําไมครับการที่เห็นเราบรรดาลอะไรกั แล้วมาแจ้งข่าวในเรื่องของการที่จะลงโทษประชาชาตินั้นกลุ่มชนนั้นที่ฝา่าฝืนที่ปฏิบัติสิ่งที่มันน่ารังเกียจขนาดนี้นะครั บ, บ, าบมาเลากามเมื่อมาแล้วได้กล่าวว่ากอรูอินนามุฮลิกูอัลลิฮัดิลกอรยาเราบรรดามาเลก้าที่มานั้นที่นําอาดาบมานั้นนะครับคําสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานาหูอัตลานะ บ, บอกว่าแท้จริงเรามาเพื่อที่จะเป็นผู้ทำลายล้างหรือลงโทษหรือผู้นี้นำอาดาบมาลงกับ ประชาชาติของหมู่บ้านนี้นะได้ยินเช่นนั้นเนี่ยนบีอิบราฮิมรู้ทันทีเลยครับว่าในเมืองนั้นนะในประชาชาตินั้นนะครับมีใครอยู่และเป็นแน่นอนครับก็คือเป็นหลานนะครับอ่าเป็นหลานของนบีอิบราฮิมอาลัยสละนะครับอินน่าอัลฮากาณซอริมินและบอกว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นลนะ่ะมาเลย์กัสบอกหมดเลย บอกเพื่อให้รู้ว่าที่อดาบจะมานี่นะครับเพราะแท้จริงประชาชาตินะแท้จริงกลุ่มชนนะประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยเป็นประชาชนหรือไปกลุ่มชนที่รอนเลมอาธรรมไม่ได้หมายความว่าอาธรรมกับคนอื่นไม่ได้หมายความว่าอาธรรมกับนั่นอาธรรมแต่ตัวเองอาธรรมต่อสังคมที่วันนี้เราบอกว่าเอ๊ะฉันเป็นอย่างนี้ฉันทําอย่างนี้ก็ไม่ได้กระทบกับใครนะไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนที่เนี่ยแหะวัฒนนี่พี่น้องครับ มันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะแต่มันแค่เปลี่ยนภาษาเท่านั้นเองมันเปลี่ยนสำนวนเท่านั้นเองในคุรานบอกไว้ว่าอินน a าอัลฮะกานูซลิมินแท้จริงประชาชาติแท้จริงกลุ่มชนแท้จริงประชาชนในหมู่บ้านเนี้ยเป็นผู้ที่อธรรมเห็นไหมฮะนั่นหมายความว่าอาธรรมก็คือถ้าเราทำผิดกับผู้อื่นก็เรียกอาธรรมถ้าเราไปกันแกล้งคนอื่นก็เรียกอธรรม ถ้าเราไปทำร้ายคนอื่นก็เรียกอธรรมและถ้าเราทำสิ่งไม่ดีด้วยตัวเองที่เราทำแบบเรียกกันว่ า, เ, าเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยก็แล้วแต่ก็เรียกว่าอาธรรมดังนั้นอธรรมในอิสลามนะไม่ว่าทาอะไรก็แล้วแต่ถ้าผิดต่อสิ่งที่อัลลอ์สร้างเรียกว่าอาธ ร, รมอาธรรมต่อตัวเองก็เรียกอาธ ร, รมนะนะการทาร้ายตัวเองการทาร้าย ขั้นตอนวิธีการนะฮะแนวทางที่อัลลอ์ได้สร้างไว้ได้บอกเอาไว้แล้วเราก็มาทำให้มันผิดเาเรียกผิดแบบผิดรูปแบบผิดการนั่นทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นในโลกใบนี้อัลลอ์สร้างสองอย่างนะคือเพศหญิงและเพศชายไม่มีเพศที่สามไม่มีเพศอะไรก็แล้วแต่ไม่มีครับมีสอง สัตว์ทุกชนิดก็มีสองนะฮะพืชก็มีสองนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ให้เราได้รู้ให้เราได้เห็นว่าโดยกลไกของการถูกสร้างทั้งหลายมีสองอย่างและสองอย่างทำไมครับต้องอาศัยซึ่งกันและกันนะต้องอาศัยซึ่งกันและกันหรือเป็นว่าคู่นั่นเองนะครับดังนั้นมนุษย์ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราทาผิดผิดแบบ ผิดคันลองหรือผิดสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ได้สร้างไว้เขาเรียกว่าซอร์เมนะเขาเรียกว่าผิดเขาเรียกว่าคนอาธรรมนั้นเมื่อเกิดอาการอาธรรมเกิดขึ้นทําไมครับอัลลอฮ์สุภาณวตาราก็ได้ส่งอดาดับอย่างที่เรียนกับพี่น้องไปแล้วนะครับในตอนที่แล้วนั้นบอกว่าในกรุ๊ก่อนๆถ้าเกิดการผิดพลาดมีการตือนแล้วบอกแล้วยังดื้อดึงถากถา ง, ท, างท้าทายตะกำบดโอหงังยะโส สิ่งที่จะตามมาคือบทลงโทษ <c oughs> บทลงโทษจากอัลลอฮ์แบบเห็นต่อหน้าต่อตาหมายถึงในดุนยานี้เลยนะมันไม่ใช่บทลงโทษที่เขาเรียกว่าจากนรกเออจากวันกียร์มาวันกียร์มารุนแรงกว่านี้อีกนับไม่ถ้วนเขาเรียกว่าไม่สามารถจะเปรียบเทียบได้ว่าหนึ่งร้อยครัง้งหนึ่งพันครั้งหนึ่งพันเท่ารุนแรงมันยิ่งกว่าซึ่งมันจินตนาการไม่ได้เลย เราเห็นวันนี้เราทราบวันนี้เรารู้วันนี้ว่ามันน่ากลัวขนาดไหนพี่น้องครับในวันแห่งการตอบแทนหรือวันเกียมาจินตนาการไม่ได้เลยนะครับว่ามันจะรุนแรงขึ้นขนาดไหนแต่ที่รู้ว่าวันนี้เพื่อให้เราได้ได้ได้ไ ด, ไ ด, ได้ได้รู้สึกแล้วก็ได้ได้เข้าใจก็อาจจะบอกว่าหนึ่งร้อยเท่าประมาณนี้มให้รู้ถึงความรุนแรงนะครับ <c oughs> ต่อมาครับ Allah ได้บอกว่ากล่อินนาฟีฮาลูตอนบีอิบราฮิมอะลัยสัลามได้สนทนากับเหล่าบรรดามาเลกัสที่มาจะลงโทษนะที่นําอาสาบมานะครับได้บอกว่าแท้จริงในหมู่นั้นน่ะหมายถึงในในชุมชนนั้นนะ่ะมีลุดอยู่ก็คือมีนบีลุดอยู่แะก็รูนะน ah ah ูอฺอัลละบุบิมันฟีฮามาเลกัสก็โต้ตอบแปว่าแม่ไม่ต้องห่วงเรารู้ว่าใครอยู่ในนั้นเรารู้ว่ามีใครอยู่ในนั้นแปลว่า ดังนั้นการที่การที่อาดาบลงมาพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานอวตาลาทรงรู้ว่าใครควรใครที่จะได้รอดพ้นนะครับจากอาดาบจากการลงโทษนะดังนั้นนี่คือสิ่งที่ให้เราดันได้ไ ด, ได้ได้ตระหนักนะครับว่าเมื่ออดาดับมาแล้วเนี่ยไม่มีใครรอดไม่มีใครรอดนอกสกจากบุคคลที่พระองค์ทรงปกป้องนะจะบอกว่าโดนทั้งหมดเลยนะ แน่นอนครับมันก็ต้องมีเหตุเพราะอะไร แ, แต่ถ้าอย่างนี้นะครับเนื่องจากนบีลุธอะลัยฮิ ส, ส, สลามนะครับเป็นรอซูนอัลลอได้ปกป้องเพื่อการที่จะได้นำศาสนาได้สอนและบอกต่อนะครับได้บอกว่าละนูนัเจียนนะฮัวอัลลอฮเราจะช่วยเหลือเราจะปกป้องเราจะให้เขารอดพ้นจากอาดับวะอัลและครอบครัวของเขา เห็นไหมฮทั้งตัวนบีรูดครอบครัวอาจเปงครอบครัวที่เชัดเจนหรือครอบครัวทุกคนที่เป็นมุสลิมนะครับอิลลัมรออัตานอกเสีย จ, จากภรรยาได้รับการช่วยเหลือหมดเลยทุกคนจะได้รับการช่วยเหลือปกป้องให้รอดพ้นจากอดาดับครั้งนี้นะครับยกเว้นใครครับภรรยาเนื่องจากภรรยาของนบีรูดอะลัยฮิสลาบด้วยคขลัก ความคิดถึงแม้ว่าจะเป็นภรรยานะครับคนที่อยู่กับท่านอยู่กับนบีรุตอะลัยซ์ลามก็ตามนะครับแต่ด้วยหัวใจที่ใยนะครับชอบแล้วก็โน้มน้าวโน้มเอียงไปในเรื่องราวสิ่งต่างๆที่สังคมกําลังทํำพูดง่ายๆเห็นด้วยนะครับไม่คิดว่าผิดไม่คิดว่ า, าภาคและคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ก็ที่เราเข้าใจกันก็ ก, ก็ยอมรับได้อะไรประมาณนี้ แต่ที่มากไปกว่านั้นนั่นก็คือการที่เขาเรียกกันว่าอาจจะได้หาช่องทางหรือบอกหรือเพื่อเห็นด้วยกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับกานัดมินัลกอบรินนะนบีอัลมาเลกัต น, นะได้บอกกันนบีอิบราฮิมอะลัยอัสสลามว่าเพราะเนื่องจากลอนหมายถึงภรรยานบีลุตก็จะอยู่กับอยู่ในกลุ่มผู้ที่ถูกทําลายล้างเช่นเดียวกันน ะ, นะครับ ตามเับฟัมมาจากรุสูลนาลูตันสีอบิหิมวะวาบิหิมดารังวะกอลูลาตะกฟวะละตาฮซัดและเมื่อหลังจากสนทนาและแจ้งข่าวสารทั้งหมดเหล่านี้นะช่วงขณะหนึ่งกับนบีอิบราฮิมอะลัยสลัมก็ได้มาถึงนบีลูตเมื่อถึงมาถึงนบีลูตเราบรรดาเมลัยก็แปลงกายเป็นเด็กหนุ่มนะชายคนหนุ่มนะหน้าตาดีเดินมาพูดสนทนากับนบี รุตอะไรสักลสถานการณ์เริ่มตึงเครียดเพราะอะไรครับเพราะคนในชุมชนเห็นคนหล่อไม่ได้เห็นคนขาวไม่ได้เห็นคนหน้าตาดีไม่ได้นะครับมีความมีอารมณ์มีความรู้สึกโอ้โหเย่อแยะไปมากมายยี่แกเห็นสาวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวใจของนบีลุตเริ่มกังวลว่าประชาชนจะลุกฮือขึ้นมาและมาทาร้ายนะครับแขกที่มาเยือน นะครับซึ่งเราบารรดามลีกที่มาก็ได้กล่าวกับนบีลูตบอกว่าก็รูบอ ก, กลาตาคอฟไม่ต้องกังวลวาลาตาซันไม่ต้องเสียใจนะไม่ต้องคำานึงถืออะไรทั้งนั้นนะครับให้ท่านนะรับเขาเรียกว่ารับข่าวสารนะครับด้วยความกังวลด้วยความะกนกตกใจว่ า, าประชาชนจะลุกขึ้นมาแล้วจับนะชายหนุ่มคนนี้นะครับ ไปทำสิ่งที่ไม่ควรนะครับซึ่งแน่นอนครับก็คือมล า, ายกาที่แปลงกายม า, มาบอกแจ้งข่าวถึงอาดับที่จะมานะครับแล้วก็ได้บอกกับนบีรุตบอกว่าลาตักไม่ต้องกังวลและก็ไม่ต้องเสียใจอินนามูนจุกะวะอะฮ์ละกะแท้จริงเราหมายถึงอาาัลลอฮฺจะได้ช่วยเหลือท่านและครอบครัวของท่านนะนั่นหมายความว่ารอดจากอาดาบ รอดอยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะครับในการที่อาดาบได้มานะเราจะรอดจากอาดาบอย่างไรนะครับมันก็เป็นอะไรที่เขาเรียกวูดวิดนะเซล ว, วินาทีหรือเขาเรียกวินาทีชีวิตอะไรทั้งหมดเหล่านี้นะครับแต่มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะฮะมันไม่ใช่เกิดเหมือนอย่างที่เราเห็นวันนี้นะมันเป็นอาดาบมันเป็นบทลงโทษที่รุนแรงนะครับ ที่บอกว่าอิลลัมรออัตตะนอกเสจากภรรยาของท่านชัดเจนครับบอกภรรยาไม่รอดในอีกอายาหนึ่งที่บอกว่านาบีลุตได้บอกว่าให้เดินอย่าหันอย่าหันหลังกลับมาหมายถึงอย่าหันหน้ามาดูในขณะที่อาดาบลงเนี่ยนะในกุนารก็บอกชัดเจนถึงการรอดหรือการปลอดภัยของขอ ง, ของกลุ่มชนหรือบุคคลที่เอาล็อปกป้องไม่ให้โดนอาดาบไม่ให้โดนบทลงโทษในครั้งนั้นนะครับ คุณอาจได้บอกนะครับบอกว่าอิลลัมรอดจกการมินัลกาเบรินว่าแท้จริงหล่อนอยู่ในกลุ่มที่ผู้ที่ถูกทำลายนะถูกอาาบนั่นเองถูกบนโลกโทษในครั้งนี้นั่นเองนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ได้แจ้งให้กับนบีรุตอัลเลยซิลามได้ได้ได้รับทราบนะครับและแล้วนะครับได้มีคําบัญชาใช้จากอัลลอฮฺซุบฮานาอัลตลาได้บอกว่าให้ออกจากหมู่บ้านในช่วงเช้าตรู่นะในช่วงก่อนฟ้ายัด เพราะอดาดับลงมาตอนฟ้ารัตตอนเช้าตรู่เดี๋นั้นต้องให้ออกก่อนลําเลียงผู้คนผู้ที่ศรัทธาผู้ที่เชื่อและยอมรับนบีลุตอัลลอฮิสลามนะครับให้ออกจากหมู่บ้านนะเพราะอาดาบจะมาพูดงี้ว่าอาดาบไล่หลังมาแล้วเวลามันเดินไปเรื่อยๆอาดาบมาเลยลงมาแล้วเวลาอาดาบมานี่นยะนะครับพวกเขาทั้งหลายยังไม่ได้ไปไกลอะไรแต่อย่างใดเลยนะครับอยู่ไปปลายอยู่เขาเรียกอย่างนั้นนะครับดังนั้นให้ อะไรครับออกและนบีลูกก็สั่งให้นบีรูดบอกกับยาหันหลังกลับมาหมายถึงอยานหันมามองเดินหน้าอย่างเดียวถึงแม้จะได้ยินเสียงกีดร้องให้ช่วยกรีดร้องด้วยความโหยหวนความร้อนของของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะความอะไรเหตุคลิกเสียงต่างๆทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นข้างหลังเนี่ยนั่นก็คือให้รู้ว่านั่นคือบทลงโทษที่กําลังจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ทําสิ่งที่ไม่ดีหรือสามส่วนหรือรักเพศเดียวกันนะครับ ในเรียกกันว่าไม่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาก่อนเลยและอาซาบนี้คืออะไรนะครับในอายะห์ถัดไปนะครับที่อัลลอสุบฮะตาลาได้บอกทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้คิดแล้วจินตนาแล้วก็วาดฝันไม่ใช่แต่มันเป็นเรื่องแล้วมันเป็นสิ่งที่กุรานได้บอกไวฮัดดีเซมาทัธิบายนะครับและประวัติศาสตร์ก็ได้บันทึกเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับที่บอกว่าอ ah ินนามุนซลูน علي أهل هذه ا ل นะ คุณอานได้บอกว่าแท้จริงเราเอาลอตเซอราได้ประทานได้ได้ส่งนะครับบนกลุ่มชนนี้เนี่ยหมู่บ้านนี้เนี่ยประชาชาติเนี่ยนะฮะฤทธิ zam minasama นะครับนั่นก็คื อ, อฟ้านะครับที่แหลบหรือสายฟ้าหรือการลงโทษแล้วน ะ, นะเป็นการลงโทษที่มาจากฟ้าฟ้านะไม่ว่าจะเป็นฝน ที่ลงมาแบบเขาเรียกฝนไฟนะโดนที่ไหนก็ไหม้ตรงนั้นนะครับโดนที่คนก็ทะลุนะครับและตัวก็ไหม้นะครับในขณะที่ต้องความเสียงจิกร้องที่เกิดขึ้นในอายะอื่นที่บอมบอมมาสมทบที่บอกว่าหลังจากการเผาผลาญเหล่านี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยนะบางท่านยังไม่รู้ตัวเพราะอาดับมาตอนเช้าตรู่ตอนช่วงฟยัดนะ ยังไม่ทันตั้งตัวยังไม่รู้เรื่องเพราะมาแบบไม่ไม่ทันตั้งตัวนะหลังจากเผาผ่านเผาไม่เรียบร้อยก็เอากับดินขึ้นกบก็คือพูดง่ายว่าอาพิกแผ่นดินนะกบคนเหล่านี้และปะกลุ่ม เ, เขาเรียกว่าหมู่บ้านเหล่านี้ทั้งหมู่บ้านเลยนะครับไม่ใช่ขุดฝังครับแต่ยกแผ่นดินแล้วก็กบไปเลยนะครับกบับเขาเรียกว่าใช้อา่า เอาดินด้านล่างเนี่ยขึ้นมาข้างบนเลยนะครับเพื่อไม่ต้องการที่จะให้ความาโซโคโปรความโซมมอย่างนี้หรือพืชแต้มเหมือนเกิดขึ้นแต่แล้วนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือนี่แหละครับการที่ได้มีในยุคหลังๆที่บอกว่าพัฒนาแล้วเจริญแล้วเนี่ยนะครก็ย้อนกลับไปทางพฤติกรรมที่เคยถูกลงโทษมาในอดีตแล้วนะครับที่บอกว่า นี่เมื่อบิมาการุยสุกูลนะในการฝา่าฝืนของกลุ่มชนเหล่านี้ก็ถูกลงโทษไปนะครับและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวตาตัลานะครับได้บอกกับพวกเราทั้งหลายนะครับนะอันนี้เป็นสิ่งที่คนที่ศึกษาอัลกุรอานอ่ถ้าเราศึกษาเพื่อต้องการที่จะหลีกเลี่ยงจากข้อผิดข้อผิดพลาด น, นะครับและเป็นผู้ที่ได้รับการเมตตาจากอ Al ัลลอฮ์ก่อถัมดุรินละแต่บางคนก็ศึกษาเพื่อที่จะอยากจะรู้อยากจะเห็น แล้วก็ไปฝ่าฝืนเหมือนเดิมนะครับที่บอกว่าวาลกะตะัตตารกนามินฮาอายะตมใบยีนะและเราได้ทิ้งร่องรอยองค์การต่างๆเหล่านี้ไว้อย่างชัดเจนลิกามียากกี่รุ่นพี่น้องลองดูครับนะเอาว่าบอกชัดเจนเลยครับว่าทิ้งร่องรอยเหล่านี้ที่ให้มันเกิดขึ้นนะร่องรอยของการฝ่าฝืนร่องรอยของการถูกทําลายล่างร่องรอยของอดาด่าที่เกิดขึ้นนะทิ้งไว้ปล่อยไว้ให้เป็นนะฮะเป็น หลักฐานสําหรับใครลิือเกมียาติลูนสําหรับคนที่ใช้สติปัญญานะไตรตรองว่าวันนี้ทําอะไรยุคต่อตอไปการอะไรเกิดขึ้นอย่าลืมครับว่าสินเกิดขึ้นแล้วในอดีตและจะเราจะถูกลงโทษอย่างนี้กัร น, นั้นหรือเราจะถูกลงโทษอย่างนี้ทั้งๆ้งที่มีเรื่องและมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกัร น, นั้นหรือนะครับนั้นกูอ่านจึงบอกว่าหรือเกมียาติลูน นั้นผู้ที่ใช้สติปัญญาในการไตรตรองในการศึกษาในการคิดเขาจะได้สติแต่ขอคิดแต่ตรงกันข้ามนะครับถ้าคิดว่านี่เป็นแค่การค้นคว้าที่พบเจอการอะไรความรู้ใหม่ๆที่เจอถ้าคิดแค่นี้นะมันจะได้แค่นี้และจะไม่ได้สติว่าเขาโดนลงโทษเพราะอะไรเหตุอะไรที่ถูกลงโทษขนาดนี้และใครเป็นผู้ลงโทษจะไม่เห็นสัจธรรมอะไรทั้งสิน้นถ้าไม่ใช้สติปัญญานะครับเอาละครับพี่น้องเวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับサラมัลเลาะกุมบะระหมัตุลลอฮ์บะระหกะตุ